ก็จะถึงความสิ้นไปผู้นั้นย่อมบรรลุธรรมอันยอดเยี่ยมอันปลอดโรงจากกิเลสที่ผูกมัดพระอานุ์ตอบว่ามีธรรมะเช่นนั้นและอธิบายว่าภิกษุสงัดจากกามสงัดจากอากุศละธรรมได้ฌานที่หนึ่งถึงสได้เจโตวิมุตติอันประกอบเบื้อยพรมวิหารสี่ได้อรูปฌาน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 ทัสมัคเรห บ, บดีชื่นชมภาษิทธ์ของพระเทระกล่าวว่าตนสแสวงหาประตูอมตะประตูเดียวแต่ได้พบถึงสิอดประตูเปรียบเหมือนคนสแสวงหาปากขุมทรัพย์แห่งเดียวแต่ได้พบปากขุมทรัพย์ถึงสิอดแห่งในที่นี้คือรูปฌานสี่ฌานประกอบด้วยพรหมวิหารสีและอารูปฌานสามรวมเป็นสิบเอ็ด